ขอความเจริญในธรรมจ ม, มีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไหร่แต่ลมปปุตติญาณในวันนี้ก็คงย้อนกลับมาสู่ธรรมาจาักกวัตนะสุหรืตอนที่ว่าด้วยสมาธิิเป็นสมาธิในองค์มรรคคือเวลาพระพุทธเจ้าทรงอธิบายเอง จะทรงอธิบายถึงปัญญาหินชอบในอริยสัจทั้งสี่ประการก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคอย่างที่ทราบกันแต่ว่าเวลาเกิดเห็นชอบนั้นมันเป็นผลรวมมาจากศีลสมาธิปัญญาคือปฏิบัติได้สมบูรณ์ในอริมรรคเดงไปประการศีนสมาธิปัญญาแล้วเนี่ยตัวความเห็นชอบก็จะเกิดขึ้น ทีนี้เมื่อเกิดความเห็นชอบขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวความรู้ชอบก็จะเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องขณะนะฮะัำหน้าที่ก็ะจัดสิ่งที่เรียกว่ า, าวิชาออกไปจะทีชงแสดงอธิบายไว้ว่าวิชาเกิดขึ้นอวิชาดับไปเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นกว่ามมืดหายไปจากนั้นจิตใจก็จะเข้าถึงสิ่งที่เราเรียกว่าสัมมาวิมุต คือปัญญาที่หลุดพ้นในทางที่ชอบเป็นการหลุดพ้นอย่างแท้จริงอย่างที่ทรงแสดงไว้ในตอนท้ายของธรรมจักรวัตนสูตรว่าการหลุดพ้นของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่ได้มีอีกต่อไปนั้นในความเป็นอริดยสัตย์แต่ละข้อเนี่ย คุณสังเกตว่าก็ทรงจำแนกแสดงไว้ในช่วงต่อมาคือในช่วงที่ทรงแสดงอริยสัจไม่ใช่อริยมครคทั้งแปดประการเนี่ยใน ล, ลำดับพรธรรมเทศนานั้นก็ทรงยกอริยสัจทั้งสี่ข้อขึ้นมาอธิบายแต่การอธิบายอริยสัจสีนั้นบางครั้งจะอธิบายโดยวิจิตปิสดานคือแต่ละข้อเนี่ย หมายความว่าอย่งไรกรอบใหญ่จริงๆเนี่ยมันคืออะไร เ, เพราะว่าอริยสัจทั้งสีประการในแง่ของเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยมันครอบคลุมทั้งหมดแล้วคือในสายกฎลจั ก, กรวาลจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตจะพูดถึงรูปธรรมนามธรรมอะไรอะไรกระดาะมันครอบคลุมอยู่ในกดของอริยสัจทั้งสีประการแม้บางครั้งบางคราวเราจะพูดถึงโลกิยะโลกุตระ ทัานเจะสังเกตได้ว่าในความเป็นอยศาตร์ทั้งสีประการนั่นเองทุกสมุทัยมรรคเนี่ยมันเป็นโลกิยธรรมแต่ว่าทุกประสมุทัยนั้นเป็นโลกิยธรรมระดับนำไปให้หมุนวนในสังสารวัฏส่วนนิโรธศัสตร์นั้นเป็นโลกุตรธรรมแต่ว่าโลกุตรธรรมที่สมบูรณ์จริงๆก็คือ อรหัตมากราตรผลแล้วก็นิพพานนอก น, นั้นยังไม่สมบูรณ์เต็มที่เพราะอะไรเพราะว่าท่านยังเกิดอยู่ในสังสารวัติอีกไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่าเจ็ดชาตินะคือไม่เกินเจ็ดชาติอาจจะ1นชาติสองชาติสามชาติสีช า, ชาตินาชาติเนี่ยแต่ว่าไม่เกินเจ็ดชาติพระนาคามีเองเอาจ้าพ่อประสุรบันนะ พระสุนระบาดนั้นทรงจำแนกแสดงไว้เป็นสามประเภทประเภทแรกเรียกว่าเอกกับพีซคือจะเกิดอีกชาติเดียวคือมีพืชอีกครั้งเดียวประการที่สองโกลังโกละคือจะเกิดอีกไม่เกินสามชาติอาจจะสองชาติหรืออาจจะสามชาติ ประการต่อไปนั้นเรียกว่าสัตตะคตุปรมาอาจจะสี่ห้าหกเจ็ดนะก็แล้วแต่แต่ว่าจะไม่ถือเอาชาติทแปดแล้วเปพูดแน่นอนต่อพระนิพพานคือจะไปหน้าสู่พระนิพพานเพียงแต่ว่าระยะสั้นหรือระยะยาวเท่า น, นั้นเองแล้วก็จะไม่ย้อนกลับคือไม่มีการตกตามอีกต่อไปคือพวกทั้งหลายเนี่ยท่านปิดประตูอบายได้แล้ว คนแสดงว่าพบสามสิเอ็ดพบเนี่ยยังเหลือสมัครท่านเองก็แค่ยี่สิบกว่าเท่านั้นคือหมายความมาท่านก็สามารถจะเลือกเกิดได้แต่ว่าอรูปปพบท่านก็ไม่ไปแล้วก็หมายความมาอบายสีกับ ร, รูปประพบสีนี่ท่านไม่ไปแล้วแต่ท่านก็แสดงว่าเดวามนุษเสสุสังสารโตเคยจะท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยแต่ก็จังว่านหะคือก็ไม่เกินจะชาติ แต่ตางปกติแล้วโคนระดับนี้ก็ไม่ไปเกิดในพรหมโลกนะเพราะว่าพรหมโลกมันมันนานมากเว้นไว้แต่พระนาคามีที่จะเรเกิดในพรหมโลกระดับสุดทวาเพระสกิธาคามีก็จะเกิดอีกยเพียงเพ้นคนเดียวคือมาสู่โลกนี้หรือมาสู่สังสารวัตรอีกครั้งเดียวในความเป็นเป็นทุกข์ษัตริย์เนี่ย มันเป็นชีวิตเนี่ยคือชีวิตเราแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยที่หยีที่จริงก็อยู่ในกลุ่มของรุกสัตว์หรือยวเรามองย้อนกลับไปสู่ปฏิจจสมุปบาทที่เราพูดตอนพระเจ้าตรัสรู้นะฮะโดยฉันว่าความเป็นชีวิตก็คือบิญญานำรูปอายตนาปัสสะเวทนามันก็เป็นชีวิต ทีนี้เมื่อเกิดเวทนาแล้วจะเกิดตัณหาหรือไม่ตัณหาเนี่ยมันอยู่ที่ว่ากิเลสหมดหรือว่ากิเลสยังอยู่ลองสังเกตนะฮะพระอรหันต์ท่านก็มีญาณนำรู้ปัญตนตาปัสสะเวทนาแต่ท่านก็ไม่ยึดมั่นหรือมั่นในเวทนาท่านก็ยังมีเวทนาน ะ, ะเพราะอะไรเพราะว่าถ้านไม่มีกิเลสเป็นเอกยึดมั่นท่านดับปวิชาตหนาวปาทานลงไปได้แต่ภาษามันชนทั่วไปมันก็แน่นอนน ะ, ะคือมันก็เกิด เวทนาแล้เกิดตัณหาก็นข้อได้ก็อนึ่นะก็กลายเป็นกระบวนการของสังสารวัฏคือกิเลสกรรมวิบากมุนบนช่วงสั้นๆหรือมุนวงชั้นยาวๆก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าสรุปว่า ย, ยังอยู่ในตรงนี้ตอรในในประเด็นนี้ก็ข้อที่ควรศึกษาสำเนียบที่ท่านเรียกว่ารู้ในเรสัต์ทั้งสีประการนะ คือรู้ทุกรูเหเกิดแห่งทุกรู้ความดับทุกรู้ข้อปฏิบัติถึงถึงความดับทุกเป็นปัญญาที่เห็นชอบในอริยสัจทั้งสีประการเราจะเห็นว่าในช่วงหลังเนี่ยจะพูดถึงอะไรมาสต่อไปเกียรตทรงสแสดงอะไรมาสต่อไปแต่นั้นเ อ, อในช่วงต่อไปเนี่ยก็จะพูดถึงทุกขส ม, มุทัยนิโรธมากไปตามลํา ด, ำดำับ ทุกนั้นแบ่งออกเป็นสองช่วงใหญ่ๆเฉพาะในประสูตรนะแบ่งออกเป็นสองช่วงใหญ่ๆ ใ, ในช่วงแรกเนี่ยเรียกว่าสภาวะวัตถุก็คือเกิดแก่ตายเรียกว่าชาติบีตุขาจะราปีทุขามานำปีตุขังชาติความเกิดเป็นทุกข์เจราความแก่เป็นทุกข์อนัคความตายเป็นทุกข์นอกานั้นก็จะพูดเรื่องทุกจรทั้งหลาย ในการต่อมามีการจําแนกแสดงแยกจ่อยออกไปเยอะก็เรียกว่านับกันไม่ขาดไม่ไหวฮะเพราะว่าในแง่ของจริงๆเนี่ยตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่เนี่ยหรือถ้าเรามองจากเนื้อหาสาระจริงๆมันก็ตจนตลักที่พระวชิราเทรีภิกษุณีท่านได้กล่าวไว้ว่าถ้าจริงแล้วทุกท่านนั้นเกิดขึ้นทุกท่านนั้นตั้งอยู่ทุกท่านนั้นดับไป นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับเพลิงก็เป็นกองทุกข์ล้วนๆที่หมุนไปแล้วก็เป็นไปทีนี้ประเด็นแรกที่ควรทำความรู้จักเนี่ยชาติเนี่ยที่จริงมันเป็นผลมันเป็นผลมาจากกิเลสกับกรรมนะก็นําไปสู่การเกิดในกําเนิดต่างๆ บางครับบงคร้งมะข่าวเราก็มีการอธิบายในใคล้ายๆกับว่าเป็นความเกิดนั้จิตใจอยากเป็นนั้นอยากเป็นนี่อยากเป็นโน้มก็ถือว่าเป็นความเกิดแต่นนนนนน ถ, แถ้าเราดูที่บาลีพุทธวจนะไม่ได้ใช้คําอย่างนั้นในกรณีของการเกิดจะทรงใช้แต่การเกิดในกําเนิดทั้งสี่ประการที่เรียกว่าโยนิสีก็ได้คือเกิดในขัน ก็ได้แก่คนสัตว์บางพวกนะฮะติเกิดในคันในพวกนี้ก็ผ่านกระบวนการที่เราศึกษากันในเรื่องชีววิทยาเรื่องชีวกําเนิดนะฮะกําเนิดของชีวิตเนี่ยมันก็อยู่ในกระบวนการตรงนั้นบางครั้งก็ส่งแสดงให้เห็นในรูปก็สสวนมากกับพูดถึงมนุษย์ตามพูดง่ายหน่อย เพราะว่ามารุกรวนโตคือว่าพิสูจน์ได้ง่ายหน่อยคือตับใดที่ยังมีองค์ประกอบสามประการคือกิเลสกรรมแล้วก็นั้นจะนำไปสู่ปฏิสนธิบิญญณเลจะได้จะลืมมงนจะมี้ครงสร้างเดียวกวิชาปัตยาสังขาราสังขารปัตยายบิณ ญ, ญานัง น, นะฮะอันเดียวกันจะปรงแสดงไว้ในมหาปนาสังกยสูตรว่า ก็มังเข็ดตังหือคนเราแต่และคนเนี่ยมีกรรมจึงเปรียบเหมือนเนื้อนาหรือว่าพื้นดินนะฮแล้วก็วิญญาณังดีชังวิญญาณเนี่ยเปรียบเหมือนกนอของพืชตัญหาทีเมีหังตัญหานั้นเหมือนกับยางเดียวที่ยังอยู่ไปในพืชหมายความว่าไอ้เงื่อนไขทั้งสามอาการเนี้ยยังมีอยู่ครับใจ อุปมาเหมือนมเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งข้าหนอยังไม่ถูกทำลายถ้ายังเดียวในพืชยังคงอยู่การปลูกพืชก็งอกเป็นเมล็ดเฮ้ยแต่นี่เกี่ยวกับพืชเนี่ยมันก้าวหน้าไปเยอะแล้วจ้ะก็บอกว่าขนาดส่วนเล็กของพืชเนี่ยเมื่อเยื่อของพืชเนี่ยก็สามารถยังปลูกได้ มีการเพราะจากันอย่างที่แพรหลายกันอยู่ในปัจจุบนันก็แสดงให้เห็ว่ากฎตรงตามหลักที่ส่งแสดงเอาไว้หมายความว่ายังเยือกไปนในพืชนั้นึ่งอยู่มันก็มีโอกาสที่จะแตกหน่อได้จะทําทให้เกิดแตกหน่อขึ้นไม่ได้ทีนี้องค์ประกอบเหล่านี้ในชีวิตของคนเราก็เหมือนกันคือตับใดที่เรายัางมีกิเลส การกระทาการพูดการคิดของเราทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นกรรมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระอาหารหันต์นี่ท่านมีทำมีพูดมีคิดเหมือนกันนะครแต่ว่าไม่มีกิเลสเพราะฉะการทําพูดคิดของท่า น, นยังเรียกว่าิริยาจิตอเป็นกิริยาจิตตังคือเป็นกิริยาของจิตจึงไม่เกิดเป็นบุญเป็นบาป อย่างพระพุทธเจ้าพระหานทั้งหลายที่ทำงานกันตลอดประชมุมชีตในแง่ของความเป็นจริงก็ไม่ได้บุญอะไรก็เป็นการเอาพระโลกจริงๆคือเราจะเห็นว่าเป็นศาสดาผู้เอ็นดูจริงๆทำงานในไม่คำหนึ่งถึงความเหลื อ, อยากลำบากอะไรเพราะไม่มีตัวตนจะไปะยึดนะฮะก็ เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่นชนเป็นมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นมากเพื่อเป็นการโนเคราะห์ต่อชาวโลกเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่พระองค์ก็ไม่ได้บุญอะไรแต่ถ้าเราสามัญชนเนี่ยจะทําแล้วเกิดบุญเนี่ยเกิดบุญเกิดบาปก็แล้วแต่เจตนาเพราะงั้นเมื่อเมื่อมีกรรม ไม่ใช่ไม่มีกิเลสก็นําไปสู่กรรมคือการกระทําการกระทําของมนุษย์เราเขาก็ออกมาสามแนวอนะฮะหรือเป็นบุญเป็นบาปหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอเนเชาก็บุญนั่นแหละที่จริงแต่มันประณีตเขาเรียกวุตสนคือเป็นรูประดับฌานเป็นภูมิจิตที่มันมีความประณีตปฏิบัติจนสงบระงับกิเลสลงไปแต่ไม่ใช่หมดกิเลสในตรงนี้ก็กจัดเป็น อรูปฌาน เ, เรียกอนเนินชาพิสังขารก็ทำให้พวกเนี้ยสองอย่างเนี่ยสร้างเป็นบิญญาณเพรา ะ, ะนั้นบิญญาณมันจะหยาบลางละเอียดตามปริมาณของกิเลสคือมานความคำว่าอาวิชชาเนี่ยจริงๆมันมีธรรมะอยู่ด้วยนะยนินแต่ว่าตับดที่ยังไม่บรรมมลุมรรคผลเป็นพระหันเขาก็เรียกว่าอาวิชชาอยู่เพราะอะไรเพราะอาวิชชานั้นจะนาไปสู่การเกิดให้กับเนินต่างๆ บที่วิชายัางอยู่เนี่ยการเกิดก็ต้องมีอยู่ต่อพุะติจาพระหันตัดดับอวิชชาท่านก็ไม่ต้องเกิดทีนี้ในในความเป็นเป็นอวิชชาเนี่ยมันก็นำไปสวังขาร น, นำไปสูวิญญาณนั่นกก็ทำให้เกิดความเกิดในกำเนิดต่างๆนะเกิดในคัน ก็ยังคนอย่างสัตว์เนี่ยเราจะเห็นว่าผ่านกาลเวลามากบางน้อยบางแล้วก็การต่อไปเกิดในไข่พวกนี้บางทีเรียกว่าทาวิชารือเกิดสองผลเกิดสองหลคือเกิดในไข่ทีหนึ่งแล้วก็ฟักออกมาเป็นตัวทีหนึ่งเคย ด, ดูชีวิตสัตว์ ก็ยังไม่รู้ว่าวัาสัตว์บางชนิดเนี่ยเขาคลอดมาเป็นตัวเลยอย่างงูเนี่ยงูเราก็รู้มันออกไปจะไข่ไอ้สัตว์บางงูบงชนิดมันออกมาเป็นตัวเลยคือคลอดการเห็นตจ่าได้บรรษั์โลกที่จริงแต่เราเข้าไปศึกษาค้นคว้าจริงๆเนี่ยก็ยากที่จะรู้ได้ทั้งหมดนะเพราะว่าแม้แต่เรื่องเดียวเนี่ยกระบวนการชีวิตของสัตว์โลกชนิดเดียวเนี่ยเราศึกษาคงใช้เวลาเยอะทีนี้การเกิดใน ในไครเนี่ยมันก็แสดงมีความหยาบกลางประณีตของกรรมเหมือนกันวัสัตโลกมั น, นมีความยิ่งความหยอดที่แตกต่างกันตัวตามแรงตามการปรุงแต่งของกรรมที่บุคคลได้กระทาเอาไว้เพราะในตรงนี้เราจะเห็นชัดเจนเลยนะว่าในสังสารวัตรเนี่ยมันจะไปผูกโยงอยู่สามอย่างหรือมันแยกไม่ออกกิเลสกรรมวิบากเนี่ยมันแยกไม่ได้ เพราะในกิเลส ก, กรรมล่ะกิเลสกรรมแล้วก็มีผลของถามก็บุญบุญก็กลายเป็นวัฏจักรบุญบุเรียกวัฏจักรบุญไปเรื่อยๆเลยที่พระเจ้าทรงใช้กับำว่าดุขาชาติปุรัปุนังนะฮะเกิดบ่อยก็เป็นดุบบ่อยๆดังนั้นในแนวของการเกิดเนี่ยจะทรงใช้การเกิดอย่างเนี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เกิดในเท่าใครต่างๆก็สิ่งปฏิกูลสุปกต่างๆ กรณีแสดงว่าจิตวิญญาณมันตกก็เกิดโวยผลบาปผลอกุศลต่างๆนะบางครา้บางคราวมันเปลี่ยนแรงนะเปลี่ยนแรงฉนว่าเราเคยพบเรื่องว่าคนบางคนเนี่ยตายไปเกิดเป็นหนอนนะเป็นหนอนอยู่ในอ้อยนะะบางทีพระเนี่ยตายไปเกิดเป็นหนอนอยู่ในอ้อยก็มีตายเป็นเลนอยู่ในผ้าจีวรซึ่งตัดเย็บมาใหม่ๆก็มีนั้นแสดงถึง อีกทธิพลของสิ่งที่เรียกว่าอาสัญกรรมคือการเมื่อจวนจะตายในจิตเป็นเหนียวนึกไปตรึกนึกในเรื่องอะไรแล้วมันก็ดึงจิตไปสู่ภพชาติเหล่านั้นอย่างที่เราคุ้นๆ น, นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องต้องระมัดระวงังเมื่อจิตเศร้าหมองก็วังได้ว่าไปบังเกิดในทุกขติเมื่อจิตผ่องแพ้วก็วังได้ว่าไปบังเกิดในทุกขติประการต่อไปเราเกิดเราผุดขึ้นที่เรียกว่าโอปปาติกะ โอปปติกะนี้ถ้าเราเทียดเนี่ยมันมันมันจะเห็นชัดนะฮะคล้ายๆกับคนเราธรรมดาธรรมดาเนี่ยเช็นว่าคนเราธรรมดาธรรมดาบวชปั๊บก็กลายเป็นพระเลยกลายเป็นพระกลายเป็นเนรนะไปรับราชการปั๊บหรือพลิกเป็นนายอำเภอเป็น น, น, นยายทหารต่างๆเนีเราเห็นว่ามันเร็วมากนะมันพลิกกลับเลยเห็นราสะดอนเดินหาเสียงหาเสียงอยู่เนี่ย พลิกกลับเดียวนะพราะว่าประกาศคะแนนเสียงเป็นผู้แทนพริกเป็นผู้แทนไปทันทีเลยนะะอยู่ไม่ทลายผ่านกระบวนการาต่างๆคัดสรรกั น, นต่างๆเดี๋ยวพระโกราบพระกุมองเป็นนาเป็ น, ปนกกรัฐมนตรีพริกกลับเป็นพระนท่านเป็นนาเป็นรัฐมนตรีไปเลยอันนี้มันก็แนวคล้ายๆกับอบปาติกะเนี่ยคือหมายความว่าพลิกกลับอั p ทันทีเปลี่ยนสถานภาพไปทันทีทันใดเลยเพราะแนวขอเทวดาเนี่ยท่านบา บรรลุหลับแล้วตื่นขึ้นนะเป็นเรื่องที่มันแค่แค่เรานอนอยด่ดีๆเนีะนอนแล้วก็หลับแล้วตายไปเลยปรเกิดอีกที่หนึ่งก็ไปอยู่อีกแข่งหนึงแต่ว่าท่านท่านพวกนี้ท่านนฤมิตรได้ท่านนฤมิตได้ก็แล้วแต่นะฮะเราจะเห็นว่าอันนี้ก็ไปเข้าในเรื่องพวกอะไรพวกวิมานวัตถุพวกเปตวัตถุนะ เพื่อเกิดมาแล้วก็ะระลึกชาได้ยังมีเทวดาเป็นนั้นมากเขียนพวกนาถบินตะกะเศรษฐีพวกพระเจ้าพิมพิสารนะอะไรเนี่ยติดใจชิดกับพระพุทธเจ้าเนี่ยตายไปบังเกิดเป็นเทพบุตรุในสูงสวรรค์แล้วไม่คิดสวยสุขอะคิดถึงพระพุทธเจ้ากลับเลกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยการคิดถึงนั้่งด้จริ ง, รงๆเวลามันก็ผ่านไม่เดียวตันเดีงนะ แต่สวรรค์ไม่อยู่นานไม่ได้นะเวลามันนานมาก ท, ท่าจบอกไว้ว่าร้อยปีเมืองมนุษย์เนี่ยถ้ากับวันหนึ่งคือหนึ่งในสวรรค์ชั้นดาวดึงห้าสิบปีโลกมนุษย์เนี่ยถ้ากับไม่ใช่ห้าสิบปีใช่หรอห้าสิปีในโลกมนุษย์เนี่ยถ้ากับวันหนึ่งคือหนึ่งในสวรรค์ชั้นจาวตกมาได้พลนเพิ่มอีกท่าตัวสองร้อยปีในโลกมนุษย์เนี่ย เท่ากับวันหนึ่งคือหนึ่งในสวรรค์ชั้นยามสี่ร้อยปีนะฮะสี่ร้อยปีแล้วก็แต่เป็นแปดร้อยปีแปดร้อยปีแล้วก็เป็นพันหกร้อยปีโลกมนุษย์เนี่ยถ้ากับวันหนึ่งคือหนึ่งในสวรรนะค์ชั้นปรนิมิตปนิมิตวัตสวัตตีชั้นที่หกเลยคำบนไม่ต้องนับเลยนับมันไม่หวาดไม่ไหวเลยเวลาในโลกมนุษย์เนี่ยจริงจริงมันสั้นส้นนะฮะสั้นๆ น, น, น้นดีเดียดเด่น แต่คนก็ครองชีวิตในร่างมนุษย์เนี่ยโดยความรู้สึกคล้ายๆกว่าตัวเองก็อยู่คาฟ้าตอนนี้มาก็อายุ67นะฮะเราก็บอกรู้สึกตัวค้าอย่าโยมอยู่ด้วยนะฮะบอกว่าส ม, มุิอามาจะอยู่อีกอายุสัก80เนี่ยมันก็อีกสิบกว่าปีนะสิบสามปีไนันเองไม่กี่วันในความตายมันรออยู่กหน้าแล้วเราก็ โอกาสจะถึงแปดสิบจะจะถึงหรือเปล่าแต่นั่นคือชีวิตของมันเป็นการเดินทางที่ไม่มีโอกาสย้อนกลับมันก็น้ําไหลลงเนี่ยฮะไม่มีโอกาสที่จะไหลขึ้นแต่แน่นอนแหละเมื่อเขาไหลลงไปแล้วมันก็ระเหยขึ้นมาก็กลายเป็นไอเป็นอะไรๆก็ผ่านกระบวนการแล้วก็มาตกลงเป็นน้ําได้อีกสังสารวัตเองก็มีลักษณะยอย่างนั้น เพราะในแนวพวกที่เป็นโอปปาติกะเนี่ยคือถ้าเราพูดง่ายๆนะพูดง่ายๆแล้วก็นอกจากมนุษย์กษัตริย์ดิรือนานนอกจากมนุษย์กษัตริยว์ในเรือนานก็เป็นโอปปาติกะพ้นเปนนรต ก, ก็เป็นโอปปาติกะสัตว์นรกก็เป็นโอปปาติกะอสุรกายก็เป็นโอปปาติกะเทวดาทั้งหกชั้นเนี่ยก็เป็นอุปปาติกะ บุกรูปรมารุกภพนี่เป็นอุปปาติการแปลว่าเกิดโดยผุดขึ้นเป็นเรื่องรู้เห็นโดยเทพประจักษ์ศุขพระเจ้าทรงรู้เห็นโดยเทพประจักษุขแล้วก็เป็นเรื่องความรู้ระดับยานท่านที่สามารถติดต่อกับเทพเจ้าเหล่านี้ได้เนี่ยมันก็ต้องอยู่ระดับนั้นเพราะในเรื่องตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่ใช้ความเชื่อเนี่ยเป็นหลัก เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นผลจึงเกิดมาจากเหตุแล้วถ้าเราเชื่อตรงเนี้ยมันจะไปเชื่อในกฎของกรรมซึ่งกฎของของกรรมก็จะละเว้นกรรมชั่วประพฤติกรรมดีก็ทําให้สังสารวัฏเปน็นไปนี้ชาติมันก็เป็นนี้นะชาติมันก็เป็นนี้ขึ้นไปแต่ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยมันจะมีความสุ่มสียงผลจะเราดูไห้ดีนะะในกาลามสูตร ที่พระเจ้าทรงแสดงแก่ชาวกาลามะนี่ในตอนท้ายนะะตอนท้ายทรงแสดงให้จับหลักคือมีจุดยืนในที่การกระทาความดีเดี๋ยวทําไปแล้วเนี่ยนรกสวรรค์จะมีหรือไม่มีเนี่ยเราก็อย่างน้อยอยู่ดีนิสุขในปัจจุบันตายไปแล้วถ้าไม่มีนรลกสวรรค์ก็แล้วไปถ้ามีในโลกสวรรค์เราก็บังเกิดในสวรรค์ก็ดีสองฌานไม่มีปัญหาเรื่องอะไรที่ควรแก่